จะหลอนพอรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบกัรปภาคงพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิเจ็ดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อบาหาที่พึ่งทางใจ จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งทางใจได้ที่จะดับความทุกข์ทางใจได้นอกจากพระรันตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรายึดถือเป็นสวรรคเป็นพุทธธรรมสวรรงกัจฉามิธรรมังสวรรงกัจฉามิ สางคังสำหรนันางกัจฉามิเพราะมีพระพุทธพระธรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะดับความทุกข์ทางใจได้สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหรคนต่างๆไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจของพวกเราได้ นอกจากไม่ดับความทุกข์ใจแล้วยังกลับเพิ่มความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะความหลงที่มองไม่เห็นทุกในสิ่งต่างๆกลับไปเห็นว่าสิ่งต่างๆเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นความสุขทางล่างกายเท่านั้ น, น, นแต่ความสุขทางใจนี้ ไม่มีมีแต่จะให้แต่ความทุกข์ทางใจเพราะเวลาได้มาก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาเวลาสูงสืไปก็ต้องร้องผมร้องห้านี่คือความหลงที่ไม่รู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหน จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้รับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเราถึงจะได้รู้ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเราได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอย่างไรก็เป็นที่พึ่งด้วยการเป็นตัวอย่างเป็นที่พึ่งด้วยการ บอกกล่าวสั่งสอนถ้าพวกเราเอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับชีวิตของเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ที่พึ่งทางใจเราก็จะดับความทุกข์ทางใจได้นี่คือการเข้าหาที่พึ่งทางใจต้อง เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเอาพระอรหันตสาวกเป็นตัวอย่างท่านดำเนินชีวิตอย่างไรท่านดำเนินชีวิตด้วยการแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือท่านดำเนินชีวิตด้วยการสลักทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองท่านดำเนินชีวิตด้วยการทำบาปทำกรรมหรือว่า <peanuts> ท่านดำเนินชีวิต ด้วยการไม่ทำบาปทำกรรมทำเดินท่านดำเนินชีวิตหาความสุขจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือท่านหาความสุขจากการทำใจให้สงบปรีกวิเวกอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ นี่คือตัวอย่างที่พวกเราควรที่จะนำเอามาศึกษาเอามาพิจรารณาทาไมพระพุทธเจ้าจึงสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทำไมท่านไม่กาอไม่โกยไม่หาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่างที่พวกเรากำลังหากันอยู่ก็เพราะว่าท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขนั่นเอง มันเป็นสุขแค่ผ่านร่างกายเช่นเรามีเงินมีทองเราก็สามารถซื้อบ้านหลังใหญ่โตๆอยู่ได้ซื้อเสื้อผ้าเป็นร้อยชุดพันชุดไว้ใส่ได้ซื้ออาหารทุกรูปแบบทุกชนิดมาดื่มมารับประทานได้ซื้ออยู่ซื้อยาที่มีราคาแพ ง, แพง รักษาโรงพยาบาลแพงๆหาหมอเก่งๆมาดูแลรักษาร่างกายของเราได้แต่ไม่สามารถที่จะมารักษาโรคของใจคือความทุกข์ใจได้ต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขามีประสา ร, ราชวังอยูม่มีบริษัทบริวารคอยรับใช้ ตอบสนองความต้องการต่างๆแต่เขาจะไม่สามารถมาระงับมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้เลยพระพุทธเจ้าจึงเห็นว่าการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจจะเป็นทุกข์เป็นโทษกับจิตใจเพราะจะทำให้ใจ ยึดติดเวลา ย, ยึดติดแล้วก็จะมีความวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่ได้อยู่กับตนไปนานๆเวลาได้ทรัพย์มานี้กลัวว่าทรัพย์จะหายการระวังความวิตกกังวลนี้ก็เป็นความทุกข์แล้วการต้องคอยเฝ้าดูแลรักษาก็เป็นภาระทางจิตใจ ไม่ได้ทําให้ใจสบายเลยจากการมีทรัพย์สมบัติเงินทอง ม, มากมากแต่ร่างกายสบายร่างกายกินอย่างสบายอยากจะกินเท่าไหร่ก็กินได้อยากจะดื่มอะไรก็ดื่มได้อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ดูได้ฟังได้แต่การดื่มการกินการดูการฟังไม่ได้มาทําให้ใจหมด จากความทุกข์เลยแต่กลับทาให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะเกิดความอยากมากขึ้นอยากดูมากขึ้นอยากฟังมากขึ้นอยากดื่มมากขึ้นอยากรับประทานมากขึ้นอยากมีทรัพยม์มากขึ้นอยากรักษาทรัพย์ให้อยู่ไป น, นานๆมากขึ้น <Kingdom> <cleaner> พอเวลาที่ไม่สามารถรักษาทรัพย์ได้หมดเนื้อหมดตัว ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจบางครั้งถึงกับอยากฆ่าตัวตายถ่าร่างกายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรค่าร่างกายก็ไม่ดับความทุกข์ทางใจเพราะทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายทุกข์อยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากถ้าอยากจะดับความทุกข์ต้องฆ่าความอยากถ้าฆ่าความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไป เป็นเวลาสูญเสียอะไรไปก็อย่าไปอยากได้คืนมาถ้าอยากได้คืนมาก็จะยิ่งทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องอย่าไปอยากได้คืนมาอะไรมันไปแล้วก็ปล่อยมันไปถือว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของไม่ถาวรบางทีก็อยู่กับเรา บางทีก็ไม่อยู่กับเราถ้าอยากให้เขาเอากลับมาเวลาเขาไปจะมีความทุกข์มากแต่ถ้าปล่อยให้เขาไปอยากจะไปก็ไปเราไม่ต้องการไม่ต้องอยากให้เขากลับมาเราก็จะไม่ทุกข์เช่นเวลาเราวันนี้เราเอาข้าวของเงินทองมาถวายพระเราไม่ได้อยากเอากลับคืนไปเราจึงไม่ทุกข์ แทนที่จะทุก์เรากับมีความสุขนี่แหละคือความสุขใจไม่ได้เกิดจากการอยากได้แต่เกิดจากการให้ให้ได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเพราะเท่ากับปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจนั่นเองมีข้าวของเงินทองมากก็จะมีทุกข์มากมีข้าวของเงินทองน้อยก็จะมีทุกข์น้อย ไม่มีเลยก็จะไม่มีทุกเลยถ้าจะมีก็มีเท่าที่จําเป็นมีไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายก็พอมากไปกว่านั้นไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสุขแก่ใจเป็นโทษเป็นทุกข์แก่ใจเพราะพระพุทธเจ้าจึงสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดเลยแล้วก็ ไปหยุดการกระทำบาปการกระทำบาปก็เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจถ้าเราไม่ทําบาปเราจะไม่มีความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำบาปเวลาเราไม่ฆ่านี้เราจะไม่วุ่นวายใจเหมือนกับเวลาเราฆ่าเวลาที่เราไม่รักทรัพย์นี้เราสบายใจเวลาเรารักทรัพย์เราจะไม่สบายใจ เวลาเราประพฤติผิดประเวณีไปมีชู้ไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นเราจะไม่สบายใจเวลาเราโกหกห ล, ลอกลวงเราจะไม่สบายใจเวลาดื่มสุรายามาแล้วเราก็จะอาละวาดจิตใจไม่สบายเห็นอะไรขัดหูขัดตาก็ทนไม่ได้ต้องไปมีเรื่องมีราว ไปทะเลาะวิวาทกับคนนั้นกับคนนี้นี่คือการกระทําที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าละเว้นจากการกระทําบาปทั้งปวงเพอาทรงเห็นโทษของการทําบาปทำบาปแล้วทำให้เกิดความทุกข์ใจถ้าละเว้นจากการทําบาปได้ใจก็จะไม่มีความทุกข์ นอกจากไม่ทำบาปแล้วพระพุทธเจ้ายังต้องมากำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยเพราะเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ขึ้นมาด้วยก็ต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงวิธีที่จะกำจัดก็ต้องหยุดความคิดให้ได้เพราะความคิดเป็นเครื่องมือ ของความโลภความโกรธความหลงเวลาคิดถึงเรื่องอะไรแล้วก็อยากจะได้คิดถึงเงินก็อยากจะได้เงินคิดถึงแฟนก็อยากจะได้แฟนคิดถึงอะไรก็จะอยากได้ขึ้นมาพอไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความโกรธขึ้นมานี่คือความคิดทำให้เราต้องโลภทำให้เราต้องโกรธ และความคิดนี้ก็คิดไปในทางที่ไม่ถูกคิดไปในทางความหลงคิดว่าได้แฟนมาแล้วจะมีความสุขได้เงินทองมาแล้วจะมีความสุขได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขแต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบยาขม เวลาอมเข้าไปใหม่ๆก็หวานดีพอน้ำตาลละลายหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ความขมเวลาได้แฟนมาใหม่ๆก็มีความสุขแต่พออยู่ไปนานๆเข้าความสุขนั้นก็จะจางหายไปทีนี้ก็จะเหลือแต่ความขมขื่นใจเวลาอยู่ด้วยกันใหม่ๆก็เอาอกเอาใจกันต่างคนต่างเอาอกเอาใจกันพออยู่ไปนานๆ ก็เริ่มเอาอกเอาใจตัวเองแทนแทนที่จะเอาอกเอาใจแฟนทีนี้ก็กลับมาเอาอกเอาใจของตัวเองพอแฟนไม่ได้รับการเอาอกเอาใจก็จะเกิดความเสียใจก็จะเกิดความไม่พอใจก็จะไม่เอาอกเอาใจเราต่างคนก็ต่างจะเอาอกเอาใจของตัวเองก็เลยไม่มีความสุขที่แลปัญหา ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นความสุขแค่เดียวเดียวเวลาได้มาใหม่ๆเท่านั้นเองแต่พอได้มานานเข้าไปนานเข้าไปมันก็เกิดความชินชาเกิดความเบื่อหน่าของที่เรารักเราชอบก็กลายเป็นของที่เราเบื่อได้ไม่เชื่อลองกินกับข้าวที่เราชอบดูทุกวันกินวันละสามือ้อชอบกินอะไรกินมันอย่างนั้นไปเรื่อย ดูซิว่าจะกินได้สักกี่วันต่อไปไม่นานมันก็เบื่อนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลนื่นี้เวลาได้อารามณ์มาใหม่ๆก็ชื่น อ, อกชื่นใจดี อ, อกดีใจได้มือถือมาใหม่ๆก็ดี อ, อกดีใจเล่นกับมันไปทั้งเช้าทั้งเย็นพอเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็เบื่อเบื่อแล้วทีนี้ก็ไม่อยากอยากจะได้เครื่องใหม่ ได้แฟนมาใหม่ๆก็ชอบแฟนต้องอยู่กับแฟนตลอด24ชั่วโมงอยู่ห่างกันจากสายตาไม่ได้แต่พอเห็นกันบ่อยๆเข้าทุกวันทุกวันก็เกิดความเบื่อขึ้นมาเบื่อจนถึงอยากจะหาแฟนใหม่นี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มันจะไม่สามารถให้ความสุขที่ถาวรให้กับใจได้ มันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาในลําดับต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่หาความสุขต่างๆเหล่านี้ไม่โลภอยากได้อะไรพอไม่โลภแล้วก็จะไม่มีความโกรธเพราะว่าความโกรธนี่เกิดจากความโลภเกิดความอยากนั่นเองเวลาเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจเราก็โกรธเช่นเราอยากจะให้แฟนไปเที่ยวกับเรา แฟนบอกไม่อยากไปอยากจะอยู่บ้านเราก็โกรธแฟนขึ้นมาเพราะแฟนไม่ทำตามใจเราไม่ทำตามความอยากแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราอยากจะทำอะไรเราทะไรเราก็ทำของเราไปแฟนจะทำด้วยไม่ทำด้วยก็เรื่องของเขาอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธแฟนนี่แหละสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้า ต้องตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ใจต้องมีความทุกข์นั่นเองวิธีที่จะตัดก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนวิธีจะหยุดความคิดก็ต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นให้ผูกใจไว้กับพุทโธก็ให้ท่องพุทโธไปเรื่อยๆเวลา ไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการหรือเรื่องอะไรสําคัญก็อย่าปล่อยให้ไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ดึงให้มาคิดแต่พุโทโธพุธโทโธไปพอเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะไม่มีความอยากไม่มีความโลภ ก, กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้ พอเรานั่งสมาธิใจของเราก็จะนิ่งจะสงบพอสงบแล้วก็จะมีความสุขเนีความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแต่เกิดจากการไม่มีอะไรไม่ได้อะไรเกิดจากการอยู่เฉยๆอยู่จากการสงบของใจนี้เองพอเราได้ความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะหายหลง เราก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พอเราออกจากความสงบเราก็จะคอยต่อสู้กับความโลภ ก, กับความอยากต่างๆอยากได้อะไรก็ไม่เอาอยากดื่มอะไรก็ไม่ดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็ไม่รับประทานถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะดื่มไม่ถึงเวลาที่จะรับประทาน ดื่มรับประทานก็ดื่มเพื่อร่างกายรับประทานเพื่อร่างกายเท่านั้นไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานตามความอยากยาก ต, ต่อไปเพราะถ้าทําตามความอยากก็จะเกิดความอยากตามมาอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ทําตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา <S <S <isms. S 1> ดังนั้นถ้าเราต่อสู้กับความอยากห้ามความอยากได้ต่อไปความอยากความโลภต่างๆ ก็จะหายไปหมดพอหายไปหมดแล้วก็รับรองได้ว่าจะไม่มีทุกข์ภายในใจต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่ทำให้ใจทุกข์ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่ทาให้ใจทุกข์ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะหดลงหรือจะหมดไปก็จะไม่ได้ทำให้ใจทุกข์จะสูญเสียคนที่เราลักไปก็จะไม่มีความทุกข์ พอใจไม่มีความอยากให้เขากลับมานั่นเองอะไรจะไปก็ปล่อยเขาไปอะไรจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ใจเป็นกลางตลอดเวลาไม่มีความอยากให้เขาอยู่หรือไม่มีความอยากให้เขาไปไม่มีความอยากให้เขากลับมาเวลาเขาไปนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ทําใจให้สงบ ให้ปราศจากความอยากวิธีเจียมทำก็ต้องทาทานอย่างพระพุทธเจ้ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็เอาไปแจกจ่ายให้คนอื่นเอาไปทําประโยชน์ดีกว่าเก็บเอาไว้เฉยๆหรือเอาไปทําตามความอยากเอาไปซื้อของต่างๆตามความอยากก็จะทำให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นเกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้น ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นนี้จะทําให้เกิดความสุขขึ้นมาเพร้อมมีความอยากน้อยลงแล้วเห็นคนอื่นได้รับความสุขจากการกระทําของเราก็จะทําให้เราเกิดความสุขขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ทําบาปเพราะเวลาทําบาปเราทําให้คนอื่นเขาเดือดรอ้อนทาให้คนอื่นเขาทุกข์ เวลาทําให้คนอื่นเขาทุกข์เราก็จะทุกข์ขึ้นมาด้วยถ้าเราไม่ทําให้เขาทุกข์เราก็จะไม่ทุนเราจึงต้องรักษาสิงกันแล้วเราก็ต้องมาภาวนามาบริกรรมพุโทโธพุโทโธทําใจให้สงบหยุดความคิดต่างๆให้ได้พอหยุดความคิดได้แล้วใจก็จะมีความสุขแล้วพอออกมาใจจะคิดไปในทางความอยากก็ อยากปล่อยให้มันคิดไปในทางความยากให้มันคิดไปในทางไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรพอเราสอนใจให้คิดอย่างนี้ต่อไปก็จะไม่มีความอยากพอหมดความอยากแล้วก็จะหมดความทุกข์หมดความอยากแล้วก็จะหมดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดกลับมาแก่กลับมาเจ็บกลับมาตายอีกต่อไป นี่คือสลณะของพวกเราเพราะพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านดำเนินชีวิตแบบนี้ถ้าเราอยากจะได้ท่านมาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราก็ต้องทำตามแบบฉบับของท่านท่านดำเนินชีวิตอย่างนี้เราก็ต้องดำเนินชีวิตของเราอย่างนี้ท่านสอนให้เราทำอย่างนี้เราก็ต้องทำอย่างนี้พอเราทำได้แล้ว เราก็จะได้มีที่พึ่งทางใจเราจะไม่มีความทุกข์ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่ทุกข์คนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่ทุกข์ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามศึกษาวิถีชีวิตของพระพุทธเจา้าวิถีชีวิตของพระอาหารหันตสาบ พยายามศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วน้อมนำเอามาปฏิบัติกับชีวิตของเราแล้วรับรองได้ว่าเราจะมีที่พึ่งทางใจเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนจาใจ